เจ็ดสปานกาวสิบ ก, กันตกะศิขาบทว่าด้วยสมุนเทศชื่อกันตกะถูกสง่งนาสนะเรื่องสมุนเทศชื่อกันตกะสี8ร้อยยี่สิบแปสมัยนั้นพระผู้มีพระภา ค, คุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทิทธฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่สมุเทศชื่อกันตกะว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนตรายก็หาสามารถก่อนตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าทิฏฐิบาทเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่สมรรเทศชื่อกันตะกะว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท เป็นทำกรรไกรก็าหาควาสามารถกรรไกรแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่ครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสมุทรเทศชื่อกันตะกะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสมุทรเทศชื่อกันตกะดังนี้ว่ากันตกะได้ทราบว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทําตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นธรรมว่าก่อนตรายก็หาสามารถก่อนตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไหมจริงหรือสมรรถเทศเชื่อกันตะกะกล่าวว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนันตรายก็หาสามารถก่อนตรายกแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวว่า กันตกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นกันตะกะพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่อนตรายว่าเป็นธรรมก่อนตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่อนตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก Tim, ในการ 2, มนี้นิโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงย่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนลุมทานเพลิงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาตน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนเคียงหันเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากในกรรมนี้มีโทษอย่างยิ่ง สมรรเทศเชื่อว่ากันตะกะถูกพิสูจน์เหล่านั้นตักเตือนแต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิบาปนั้นอยู่อย่างนี้ว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนตรายก็หาสามารถก่อนตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ ภิกษุเหล่านั้นไม่อาจปลดเปลื้องสมุทเทชื่อกันตการจากทิฏฐิบาปนั้นได้ครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงกล่าบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ